มาดูยักษ์ขับปัญหาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เป็นความรู้ประกินก ะ, ะทั่วๆไปนะฟังเอาไว้ก็ไม่เสียหลายอะไรยักษ์ขับปัญหาพระขุนเจ้านากเกษตธรรมดาว่ายักษ์เนี่ยมีอยู่ในโลกหรือก็คือยักษ์เนี่ยมีอยู่จริงไหมล่ะถูกต้องมหาบาพิษว่า ง, งั้นธรรมดายักษ์เนี่ยย่อมมีอยู่ในโล ก, กะนะจริงมีอยู่จริงแหละแล้วพวกยักษ์นั้นย่อมจุติย่อม จากกำเนิดนั้นหรือหมายความว่ามันตายแล้วมันไปเกิดอีกต่อไปหรือยักษ์อ่ะขอถวายพระพรใช่ยักษ์เหล่านั้นย่อมจุติจากกำเนิดนั้นแปลว่ายักษ์ก็ตายเป็นเห็นะหมไม่ใช่ว่ายักษ์ก็ไม่ตายหรอกยักษ์ก็ตายเหมือนกันแหละพระขุนเจ้าเพราะเหตุไรซ า, ากของยักษ์ที่ตายเหล่านั้นแล้วจึงไม่ปรากฏแม้แต่กลิ่นศพของยักษ์ก็ไม่ฟุ้งขึ้นมาเลยนะเออไม่เคยเห็นศพยักษ์เลยอย่างนั้นนะไม่เคยเห็นว่ากลิ่นศพของยักษ์นี่เหม็นตลบไปหมดเลยนะ ไม่เคยเห็นถามนี้ถ้าถามเราก็จอบเลยครนะับคุณไปคุยกันเองไงก็กันใช่ <laughs> แต่พระนาคเสด็จทั้นก็เก่งนะท่านก็บอกว่าซากของยักษ์ที่ตายแล้วก็ปรากฏอยู่กลิ่นศพของยักษ์เหล่านั้นก็ฟุ้งไปขอถวายพระพรซากของยักษ์ที่ตายแล้วปรากฏเป็นซากแมลงซากนอนซากมดซากทักกระแตนซากงูซากแมลงป่องเป็นซากตะขาบซากนกซากเนื้อก็มีอยู่เนี่ยนะบางทีก็แล้วแต่ว่าอาจจะไปเป็นซากของสัตว์ในยะต่างๆ พระเจ้ามิลินก็ยอมครับเว้เพระผู้ผมีเว้นผู้มีปัญญาเช่นท่านแล้วใครอื่นเล่าถูกถามแล้วอาจจะเฉลยปัญหานี้ได้ก็ถูกต้องแล้วนะอันนี้เห็นด้วยร0อเซนยบอกใครจะไปตอบตด้ใช่ไห ม, ไหมก็หมายความว่าอย่างสมมติถ้าเราเห็นต ก, กะแตนตายเนี่ยเรารู้ว่าไอ้จริงๆอ่ะคือยักษ์บางตะกะแตนบางตัวรากตะกะแตนบางตัวที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ต ก, ต ก, กะแตนจริงๆแต่มันคือยักษ์อ่ะ คือตายมาแล้วเพราะจุติปั๊บก็กลายเป็นตัวตะกะตั่นไปเนี่ยเนี่ยพอมาเป็นซาก น, นะเป็นซากก็กลายเป็นตัวหนอนตัวหนึ่งต า, ตายไปเป็นตัวแมลงตัวหนึ่งนอนตายไปอะไรไปเนี่ยเรารู้รู้ไม่ได้เลยว่าไอ้แมลงตัวเนี้ยจริงๆแล้วก่อนนั่นนี่มันคือยักษ์อันนี้ <c oughs> ก็รับฟังเอาไว้นะอืมเขาก็ถามว่าเนี่ยเขามาก็ตอบตามพระเจ้ามิรินนี่แหละตอบตามพระนักเซต น, นี่แหละอัน น, น นั่นแหละโอปติกะหมายถึงเนี่ยพวกภุ ม, มะเทวดาเนี่ย ค, คือคือพวกภุ ม, มะเทวดาเนี่ยพอตายปั๊บร่างมันจะกลายไปเป็นนอนเป็นอะไรแล้วก็ก็เป็นสิ่งพวกนั้นไปอะไรไปเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้นอนที่เราเดินเหยียบที่นอนตัวตานยนั้นอ่ะเป็นเป็นยักษ์หรือว่าเป็นนอนพันแทะว่างั้นเถอะนอนพันแท้หรือว่าเป็นยักษ์อ่านะเป็นกลายมามาจากยักษ์อะไรไงเราก็รู้ไม่ได้นะก็เรื่องนี้ก็ไปคิดเรื่องอื่นก่อนดีกว่า